นังปฏิบัติร่วมกันสักเดี๋ยวเนาะสมัยก่อนนี่กลัวเนาะกลัวหลังอาหารเนี่ยกลุวงมว่องมากเลยนะคำว่ากลัวนี่หมายถึงไม่ใช่ว่าหมายถึงมากลัวตอนปฏิบัตินะแต่เหมือนกับ มันก็ไม่รู้ว่ากลัวเริ่มมาแต่เมื่อไหร่แต่ก็เหมือนกับว่ามีความรู้สึกเป็นความง่วงหลังการหลังหลังอาหารเที่ยนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่พอเวลาที่เรารู้จักกับคำว่ารู้สึกตัวเนาะมันมันมันเหมือนกับเราไม่ได้หาเรื่องแก้ความง่วงนะแต่ว่ามันเป็นการที่เรา กลับมารู้สึกตัวพอเรากลับมารู้สึกตัวพอจิตมันตื่นเนาะมันก็ไม่ง่วงคือมันเหมือนกับการง่วงหลังอาหารมันเหมือนกับไม่ใช่เป็นเรื่องของร่างกายเท่าไหร่นะมันเป็นเรื่องของจิตใจที่มันไปพบองมากมันจะต้องหลับอะอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นเนาะในว่าพอเรารู้จักกันกลับมารู้สึกตัว รู้จักการทำให้จิตมันตื่นตื่นตัวขึ้นมาจะเป็นการที่เราวางตาก็ดีวางหน้าก็ดีวางท่าทางก็ดีการหายใจก็ดีการอะไรต่างต่างก็ดีที่ที่เราทำกับร่างกายอะเนาะตรงเนี้ยมันก็ทำให้เราเป็นความรู้สึกว่าเออตรงนี้นะมันมันมีหลายหลายอย่างที่ ที่ทําให้จิตเขาพร้อมที่จะตื่นพร้อมที่จะรู้อย่างเงี้ยก็ให้พวกเราได้ได้ลองสังเกตเนาะให้เราลองสังเกตการที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะทําให้เรามีโอกาสสังเกตความเป็นไปของของร่างกายเนาะอย่างะที่เช่นวางตาขนาดนี้อย่างเงี้ยเนาะจิตมันซึมไปไหมอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าการที่เราใช้ความเร็วขนาดนี้ เป็นการกล่อมตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างนี้เนาะอย่างนั้ น, นหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยตอนเนี้ก็คือการวางหลังวางไหลวางใบหน้าท่าทางหรือว่าแม้กระทั่งการที่เราเหมว่าลองยิ้มไม่ก่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่ายิ้มเมื่อเราเห็นความหลงนะถูกไหมอย่างน้อยลองยิ้มไปก่อนนั่นก็ทําให้จิตมันก็ตื่นนะก็มีหลายหลายอย่างแต่ว่าตรง น, นั้นก็คือทั้งหมดเนี่ย ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามการกลับมารู้สึกตัวมันก็ช่วยให้เราได้เหมือนกับแก้ปัญหาจริงๆไม่ไม่ใช่ไม่อยากคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาเนาะแต่เมื่อก่อนมันเหมือนกับอันนู้นก็เป็นปัญหานี่ก็เป็นปัญหาที่เราต้องแก้แต่ว่าจริงๆตอนนี้มันไม่ต้องแก้อะไรแค่กลับมารู้สึกตัวนะทุกอย่างมันก็จบจบลงจบหมดมารลงมันเหมือนกับ เราทำงานใช่ไหมเราทำงานมันก็มีเงินเดือนตอบแทนอย่างนี้เนาะแต่พอเวลาที่เราทำงานแต่มันไม่มีเงินเดือนตอบแทนเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นปัญหาอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมเวลาสมมติถามว่าเวลาที่เราทำงานก็เป็นปกติแต่เวลาที่มีคนมาปรึกษาเราเรียกว่าปรึกษาปัญหาเราไมเราไม่ได้เรียกว่านี่นี่คือนี่คือการทำงานแต่ว่าพอเวลาที่เป็น เรื่องของการปฏิบัติธรรมมันก็คือไม่ว่าเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงก็ตามเนี่ยเราเราไม่ได้เข้าไปแก้ปัญหาตรงนั้นเนาะแต่เหมือนกับว่าเรากลับมากลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งกลับมาให้จิตใจของเราไม่ไปว่าวุ้นกับเรื่องต่างๆแค่นั้นเองมันก็ทุกๆอย่างมันก็จบลง ปัญหามันจะดําเนินไปก็ดําเนินไปหรือเรื่องราวมจะดําเนินต่อไปมันไม่จบลงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่านั่นเรามีจิตใจมีความพร้อมที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆอย่างอย่างที่มีสติแล้วดีแล้วอย่างเนี้ยเนาะอย่างนั้นอะไรอมันจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร <c oughs> นั่นคือตรงนี้ก็ให้พวกเราได้เหมือนว่าเพียงเพียงการแข่กันเบื้องต้นที่เรากลับมารู้สึกตัวหัดกลับมารู้สึกตัวจากการที่เรา เห็นว่าจิตมันไปคิดอย่างนี้นะนะ่ะตรงนั้นนะ่ะก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเป็นการสร้างเหตุเนาะอย่างที่บอกว่าพุธเจ้าก็บอกวิธีการทำเหตุแล้วเดี๋ยวผลเนี่ยเยอะแยะไปหมดก็ไม่ว่าเราจะมองมุมไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นความดีรอมเขียนจะใช้คำว่ามันมาเป็นพวง <laughs> มันมาเป็นพวงเหมือนพวงองุ่นเนี่ยนะเราจะนับว่าเอ็นี่มันองุ่นพวงนี้มันมีกี่ลูกมันก็ไม่ต้องไปนับอะแต่ว่าได้ทั้งพวงตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ให้พวกเราเนี่ยได้ได้เพียรพอดีช่วงนี้ก็มีคนญี่ปุ่นนะเข้ามาที่ที่ที่วัดที่ปักช่องเนี่ยสมเสม อ, ส, ม อ, ส, มอสิ่งหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นมีก็คือ การที่จะให้คนทุกคนเนี่ยหวังหวังความเป็นเลิศนะเนาะหวังความเป็นเลิศซึ่งตรงนั้นมันทําให้คนญี่ปุ่นเครียดเครียดมากๆเพราะว่าความเป็นเลิศมันเหมือนกับปลายเข็มนะเนาะคนที่จะเป็นเจ้าของได้มีแค่คนเดียวอะแล้วคนญี่ปุ่นหลายล้านคนนะได้คนเดียวเลยอีก เก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านจะอยู่ตรงไหนมันก็ไม่ต้องผิดบังทุกคนเนาะอย่างนั้นอะไรเงี้ยนั่นน่นคือตรงเนี้ยเราก็จะมองเห็นว่าคนญี่ปุ่นเขาก็ตะกายหาให้ความเป็นเลิศตรงเนี้ยจนจนกระทั่งเขาเองเขาก็เครียดเครียดกันไปหมดจะทำอะไรก็รีดตัวเองที่สุดเท่าที่จะรีดได้อะไรเงี้ยอันนี้แต่ว่าพอเวลาที่พอเราเทียบ เวลาที่เราปฏิบัติธรรมเนะี่ยเราไม่ต้องสแสวงหาความเป็นเลิศนะเพราะว่านี่คือเราเริ่มต้นด้วยสติมันก็เป็นกุศลเรียบร้อยแล้ว <laughs> จะขยับนิดขยับหน่อยก็อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะั่มันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเราจะเหมือนกับว่าเราอยู่ในฟากแม้กระทั่งว่าหลงไปเรารู้ก็เราก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นอะไรยเงี้ยอันนี้นี่คือตรงเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่เหมือนกับมันเป็นสิ่งที่การปฏิบัติธรรมมันก็จะ เป็นสิ่งที่เพียงแค่เราคอยดูคอยรู้สิ่งที่เกิดขึ้นคอยดูคอยรู้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่ประจันโนตพูดเมื่อเช้าว่าไม่จัดการเนาะเพราะว่าเราจะเป็นความเป็นนักจัดการของเราก็อยากจะจัดการเนาะหักสิ่งที่หัดก็คือหัดหัดดูเฉยเฉยหัดดูเฉยเฉยแล้วก็เทียบกับอันนี้ก็เทียบเนาะอย่างเมื่อ เมื่อสมัยที่เราเป็นโยมเนี่ยคาว่าไม่สนใจอะคำว่าไม่สนใจนี่หมายถึงว่าตัวนั้นคือมันมีใจที่ไม่ชอบอยู่เต็มเปี่ยมแล้วเราก็อาจจะหันหน้าหนีอย่างที่เรียกว่าไม่สนใจแต่ว่าในทางในทางพุทธในทางการปฏิบัติธรรมการไม่สนใจคือเราเรารู้แล้วว่ามันเป็นทุกขนะ์เาะเราก็ไม่เข้าไปยุ่งอย่างเงี้ยอย่างนั้น นั่น là, นี่นคือตรงเนี้ยว่าการที่เราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจทุกข์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายแล้วก็ทุก์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเราก็วก่องไวพอที่จะรู้ว่าสัญญาณแบบเนี้ยเรียกว่ามันจะก้าวไปหาทุก์นั้ยนะเราก็เราก็แค่ครัว่าพอเห็นแล้วเนี่ยเราก็ไม่เข้าไปอย่างนี้เนาะอย่างนั้นอะไรเงี้ยนั่น đây, นี่นนนคือตรงเนี้ยว่าการทําซ้ําๆการทํำซ้ำๆเนี่ยมันจะทําให้เราได้เหมือนหัด บางจิตบางใจซึ่งจริงๆเราทําเรื่องเดียวเราทําเรื่องเดียวแต่ต้นเนาะแต่เป็นแต่ม่าการทําของเรามันก็จะทําให้เราได้เหมือนว่าทําได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องหวังความเป็นเลิศอะไรเพราะว่าทํ า, าทก็ดีแล้วทําก็ดีแล้วผลก็ได้แล้วแล้วผลก็เยอะแยะไม ห, หมดอย่างเนาะตรงนั้นก็อย่างพูดกับทางคนญี่ปุ่นบอกว่าอย่างของเราใช่ไหม แบบว่าเราไม่ได้หวังว่าจะให้ใครมาดูว่าเราเป็นคนดีแต่ว่าตรงนั้นก็คือเราได้ทำสิ่งดีๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นการที่เรามีสติแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ระวังความอยากมันก็จะดึงเข้าไปอย่างนี้เนาะอย่างนั้นอันนั้นก็คือตรงนี้พอสติเป็นตัวนำเนี่ยจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆคนจะเห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตรงนั้นก็เป็นเป็นเาเรียกว่าเป็นฐานของการ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียบร้อยแล้วแล้วผลก็จะเป็นผลดีที่ที่เกิดขึ้นจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามตรง น, นั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งก็ปฏิบัติกันเนาะปฏิบัติกัน